นั้นพระองค์จึงตรัสว่าสัตว์ที่เกิดมามีภัยโดยความตายเนี่ยเป็นนิดเหมือนผลไม้ที่สุกแล้วมีภัยโดยการหล่นในเวลาเช้าเช่นั้นเนี่ยนะผลไม้ที่สุกเนี่ยนะที่เหลือมันรอเวลาร่วงอย่างเดียวคนที่แก่แล้วก็เหมือนกันเนี่ยนะไอ้คำว่าแก่ก็คือหลังจากเกิดเนี่ยก็รอแต่เวลาตายอย่างเดียวภาชนะดินที่นายช่างทําแล้วทุกชนิด มีความแตกเป็นที่สุดแม้ฉันใดชีวิตของสาตร์ทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันอันโรงงานคุณพาเนี่ยปั้นไอเครื่องปั้นดินเผาจะปั้นกี่ชนิดก็แตกมาต้ในที่สุดเนี่ยไม่มีเหลือเนีนะมันมันพวกมนุษย์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนฉลาดคนโง่ทั้งหมดย่อมไปสู่อำนาจของมัดจุคือความตายมีมัดจุสกัดอยู่ข้างหน้าเมื่อมนุษย์เหล่านั้นถูกมัดจุสกัดข้างหน้าแล้วถูกมัดจุครอบงำเนี่ยนะ บิดาก็ต้านทานบุตรเอาไว้ไม่ได้คือถ้าไปถึงความตายเนี่ยนะแปลว่าพอไปถึงเวลาตายเนี่ยพ่อก็ห้ามไม่ได้หรือพวกญาติก็ต้านทานเอาไว้ไม่ได้ะใครจะมาห้ามใครจะมาต้านใครได้นะแม้กระทั่งลูกก็ช่วยต่อต้านชีวิตพ่อแม่ให้ดำรงอยู่ต่อไปไม่ได้กองทัพก็รักษาเอาไว้ไม่ได้เนยนะเมื่อพวกญาติกําลังเลดูกันอยู่นั่นแหละกําลังรําพันกันอยู่เป็นอันมากว่าท่านจงดู ตนคนเดียวเท่านั้นน่ะแห่งสัตว์ทั้งหลายอันมรณะนําไปได้เนี่ยนะก็ตายอยู่ทีละคนทีละคนทีละคนไปเรื่อยเนี่ยนะเหมือนโคถูกนําไปฆ่าฉะนั้ น, นนะตอนไปตายนะทางของเราก็นั่งอยู่นี่ก็นั่งรออะไรนั่งรอความตายนะเดี๋ยวกลับไปนอนเพื่อรอความตายตื่นเช้ามากินรีบกินทํากินจะได้รอความตายนะกินเสร็จก็รอความตาย นะไปอีกบริหารเวลาให้กินข้าวเที่ยงอลางเยน็นกินเสร็จรออะไรรอความตายนะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามนะไปไหนก็ไปตายอีกนั่นแหละเนี่ยนะยืนก็ยืนรอความตายเดินก็เดินรอความตายนั่งก็นั่งรอความตายเนี่ยนะพู้ธรรมะก็พูดรอความตายนี่แหละเนี่ย น, นะเราว่าเราได้คนอื่นว่าไม่ได้เนี่ยแต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเนี่ยนะใครจะว่าหรือใครไม่ว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ น, นะเพราะว่าสตว์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยจะไม่ตายไม่มีมันสัตว์โลกนี้อันความตายและความแก่เนี่ยครอบเอาไว้นะบางคนแก่แล้วก็ยังไม่สามารถจะบอกแม้กระทั่งอายุเท่าไร่องนะปกปิดหน้าด้วยนะไม่ต้องบอกปิดก็ได้หรอกโอ้ยผิวมันขนาดนั้นแล้วใครก็รู้ว่าไม่ใช่หนุ่มแล้วไม่ใช่สาวแล้วนะถ้าสาวก็สาวน้อยเต็มทีกันนะน้อยก็คือไม่กี่ปีเนี่ยตายแนะ่เพันมนุษย์เนี่ยย่อมตายเพราะชราโดยแท้เนี่ยนะ นั้นพระองค์ยังตรัสว่าชีวิตนี้มีน้อยมนุษย์ทั้งหลายย่อมตายภายในร้อยปีแม้หากว่ามนุษย์ใดย่อมเป็นอยู่เกินไปมนุษย์นั้นย่อมตายเพราะชราโดยแท้แหล่เนี่ยนะไม่มีพ้นจากความตายแม้แต่คนเดียวนัว้นเดินไปสู่ความตายกันหมดนอนรอความตายนั่งรอความตายยืนรอความตายขับรถไปหาที่อันนี้รับคำประคับค่อนข้างยากกันนะ เวลาขึ้นรถปั๊บยังยังคนตายอะคนอื่นไม่ใช่เราเนี่ยนะคิดกันแต่อย่างเนี้ยแต่ที่จริงแล้วคนที่คิดอย่างงี้นี่แหละตายมานักต่อนักแล้วนะยังไง ว, ว่าคนเก่งเนี่ยตายไปเยอะแล้วเนี่ยนะพวกที่เหลือก็ถ้าใครเก่งอีกก็อีกไม่นานอนะแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกในเพราะที่ในเพราะวัตถุที่ถือว่าของเราะเสียใจจริงๆก็เพราะเสียใ จ, จเพราะสิ่งที่เรายึดถือว่าของเราเนี่ยนะ ความยึดถือทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอขออภยัยความยึดถือทั้งหลายเป็นของเที่ยงไม่ได้มีเลยการยึดถือนี้มีการพลัดพรากเป็นที่สุดทีเดียวกุลบุตรเห็นดังนี้แล้วไม่ควรอยู่คลองเรือน น, นะนะก็ถ้ารักมากก็โศกมาก น, นะนะรักน้อยก็โศกน้อยไม่รักก็ไม่โศกใช่แต่ว่าปริมาณแห่งความโศกก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่เรารักเนี่ย ปริมาณของความโศกก็ดูได้จากความรักนั่นเองนั่นนะมันถ้าเรารักบุคคลใดมากนะถ้าบุคคล น, นั้นมีเอ่อถ้าบุคคล น, นั้นมีอันเป็นอื่นไปนะเป็นอื่นด้วยแปรใจเป็นอื่นหรือเป็นอื่นด้วยความตายเนี่ยนะคนทั้งหลายก็จะเศร้าโศกขนาดนั้นแต่ว่าไอ้ความยึดถือความรักทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงหรอกไม่มีความรักตัวไหนมันเที่ยงหรอกคือสิ่งที่ถูกรักก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงและความรักมันจะเที่ยงมาจากไหนใช่ไหม บอกอ้าวถามว่าทําไมไม่เห็นเหมือนเดิมอ่ะนะก็ผิวมันไม่เหมือนเดิมแล้วอาจจะไปรักเหมือนเดิมได้เท่าไหร่ที่ไหนใช่ไหมบอกอทําไมไม่กินอ่ะสมมุติอาหารเนี่ยมื้อเช้าอ่ะนะแกงถ้วยเดียวกันหม้อเดียวกันเนี่ยนะตอนเช้าโหทานได้ตังเยอะเลยกลางวันนี่ก็เริ่มลดลงแล้วนะมื้อเย็นเนี่ยแกงหม้อ น, นั้นอ่ะจะทานได้น้อยลงมาอีกอนะวันรุ่งขึ้นอีกจะเป็นยังไงแทบจะไม่เอาแล้วแทบจะคว่ำทิ้งเลยนะไอความพอใจทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละ เพราวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจมันไม่เที่ยงเมื่อวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจไม่เทียเ่ยงไอ้ความพอใจความรักมันจะเที่ยงมาจากไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจึงข่าวว่าเออนี่ถ้าฉันแตกงักๆไปแล้วเนี่ยเธอยังจะรักฉันอยู่หรือเปล่าบอกบ๊นึกแล้วแบบแหมขนจะลุกให้ได้นะใครจะไปรักอะไรจะตาม น, นั้นเห็นไหมสังขารมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะความยึดถือเนี่ยมีความพัดพรากกันเป็นที่สุดทีเดียวเห็นไหม ความยึดความถือความหมายมั่นอ่ะนะถืออะไรมั่งไม่วางเอเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนั่นนะนั้นความรักทั้งหลายก็มีการพลัดพรากเป็นที่สุดที่สุดการประจบกันก็มีความพลัดพรากเป็นที่สุดฉะนั้นรพระองค์ภาษาบุตรขยายว่าชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกในเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราไอ้ความยึดถือนี่ก็ยึดถือสองอย่างอ่ะนะยึดถือด้วยอำนาจตันหากับ ทิฐิเนี่ยนะยึดถือด้วยอำนาจตันหาร้อยแหรือยึดถือด้วยอำนาจของที่ทีิบสเนี่ยนะชนทั้งหลายเป็นผู้มีความหวาดระแวงในการแย่งชิงวัตถุที่ถือวักว่าของเราย่อมเศร้าโศกคือย่อมเศร้าโศกเมื่อเขากําลังแย่งชิงเอาบ้างเมื่อเขาแย่งชิงเอาไปแล้วบ้างโศกในถ้ารู้ว่าคนอื่นเขาจะมาชิงก็เริ่มโศกเลยใช่ไหมในวัตถุที่เราหวงแห น, นน่ยนะ แล้วก็กําลังแย่งชิงกันก็เศร้าโศกเขาแย่งชิงเอาไปได้เราก็เศร้าโศกอีกันะเหมือนกับว่าถ้าเรามีบ้านนะเรารู้ว่าคนอื่นเขาจะมาแย่งชิงบ้านเมืองของเราเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็โศกใช่ไหมกำลังถูกแย่งชิงก็เศร้าโศกอีกเมื่อเขาแย่งชิงเอาไปได้เราก็เศร้าโศกอีกเนี่ยนะหรือบางทีก็ เป็นผู้หวาดระแวงในเพราะความแปรปรวนแห่งวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราก็ย่อมเศร้าโศกย่อมเศร้าโศกลําบากคร่ําครวนทุบอ ก, อกร่ําไรถึงความลหลงไหลเมื่อวัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปบ้างเมื่อวัตถุนั้นแปรปรวนไปแล้วบ้างนะสมมติว่าอย่างเรารักบุคคลรักคนอื่นเนี่ยนะคนอื่นที่เรารักเขาก็ตายเป็นเมื่อเขาตายเป็นเราจะไม่โศกได้ยังไง น, นะถ้าเรารักบ้านบ้านก็ถูกไฟไหม้ได้ะน้ําท่วมได้อะ่ะ นี่ถ้าไฟไหม้น้ําท่วมอ่ะเราก็เศร้าโศกเพราะเพราะเพราะเราไปหมายมั่นไปยืดถือไปเพลิดเพลินนั่นแหละเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายก็ย่อมเศร้าโศกเพราะวัตถุที่ถือว่าเป็นของเราเนี่ย น, นะเรียกว่าความโศกทั้งหลายก็เกิดจากวัตถุอันเป็นที่รักนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อผู้ใดไม่ยึดถือวัตถุทั้งหลายว่าเป็นที่รักเขาจะไม่เศร้าโศกเนี่ยนะ คำว่าความยึดถือทั้งหลายเป็นของเที่ยงไม่ได้มีเลยเพราะะนความยึดถือก็ไม่เที่ยงหรอกไม่ว่าจะยึดถือด้วยตันหาหรือยึดถือด้วยทิฏฐิเพราะในความยึดถือด้วยตันหาก็เป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเนี่ยประชุมกันเกิดขึ้นมีความสิน้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมด า, านะตรงนี้มีแปดนะหนึ่งไม่เที่ยงสองนะอันปัจจัยปรุงแต่งสาม อาศัยประชุมกันแห่งปัจจัยเนี่ยเกิดขึ้นสีก็มีความสิ้นไปห้าเสื่อมไปหกคลายไปเจ็ดดับไปแปดก็แปรปลวนไปเป็นธรรมดาเหมืนความยึดถือด้วยทิฏฐิก็เหมือนกันนะยึดถือด้วยตัณหานะก็ไม่เที่ยงอนะก็เห็นใครมันรักกันเที่ยงมั้งอ่นะรักอมาตะรักนิรันดรมันมีแต่ในเพลงเท่านั้นแหละของจริงไม่ได้มีหรอกนะนะมีจริงก็เหม็นคู่ไหนมั่งไม่เคยทะเลาะ ก, กันนีไหมในโลกเนะนี้เนหะ็นไหม รักกันหวานชื่นเหมือนเดิมเหมือนแรกเห็นไปหมดทุกเวลาเลยนะมีไหมชอบอะไรเหมือนเดิมตลอดเลยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั่นไอตัวตันหาเนี่ยก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะถึงเราชอบอะไรก็เหมือนกันนะสังเกตจากเราเหมือนกันนะ่ะเราชอบอะไรมันอู Ooh, ชอบได้ยั่งยืนยาวนานเนี่ยนะชอบตลอดเวลานึกเมื่ อ, อไหร่ก็ชอบตลอดเนี่ยมีไหมไม่มีอ่ะนะ แ, แม้แต่อาหารอร่ อ, รอยๆเนี่ยนะชอบตอนอิ่มเต็มที่เลยนะนึกชอบไหมาอาหารอันนั้น ไม่เอาอีกแล้วเนี่ยนะมันเอความชอบความเพลิดเพลินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงรอกนะนะก็เราเองยังไม่เที่ยงนะความชอบของเราเองก็ยังไม่เที่ยงนะนะแล้วความชอบจากภายนอกมันจะเที่ยงมาจากไหนแล้วคนอื่นที่เขาชอบอะไรมันจะเที่ยงมาจากไหนใช่ไหมเพราตัวตัณหาก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอย่างเช่นนะอาศัยอายตนะภายในอายตนะภายนอกประชุมกันวิญญาณก็เกิดใช่ สอย่างประชุมกันเรียกว่าภาษาภาษาเนี่ยเป็นปัจจัยทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุก ข, ขมสุขเวทนาถ้าเวทนาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตันหาก็เปลี่ยนเห็นไหมเวทนามันไม่ได้คงที่อยู่แล้วเมื่อเวทนาไม่คงที่เนี่ยนะตันหาก็ก็เปลี่ยนแปลงไปสมมติว่าตอนที่เราหนาวเน็บเนี่ยนะถ้ามีผ้าห่มเนี่ยเราต้องการผ้าห่มก่อนนะให้อุ่นขึ้นทีนี้ถ้าผ้าห่มเนี่ยเราห่มไปสามสี่สิบผืนเนี่ยนะเอาอีกไหม ไม่เอาอะไรนะเพราะเวทนามันเริ่มร้อนเนะี่ยไม่ต้องการแล้วเนี่ยนะนะนะอยู่ในที่ที่เดียวกันเนี่ยสมมติอยู่ในศาลานเนี่ยนะตอนที่อากาศสามสิบสามองศาเนี่ยเราจะคิดยังไงโอโ้อาจจะแหม่ร้อนไปหน่อยนะยงนั้นนะนะนะ่ทีนี้ถ้าอากาศมันลดไปสักเหลือสิบองศาละนะไอ้นั่งอยู่ที่เดียวกันนี่แหละมันคิดไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนั่งอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนะแล้วแต่อุณหภูมิภายนอกอะ ท่านเมื่อคิดแตกต่างนั่นแหละว่าตัณหาก็เปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยนะเปลี่ยนไปตามวัตถุและอารมณ์เปลี่ยนไปตามผัสสะและเวทนาอันตัวตัณหาเป็นของที่ไม่ยั่งยืนอะไรหรอกตัวทิฐิก็เหมือนกันเนี่ยนะความยึดถือทั้งหลายนะก็เท่าที่รู้จักกันโดยมากเนี่ยนะไม่มีใครไม่เปลี่ยนไอความเห็นมั่งเลยนะหายากนะที่ที่ใครไม่เปลี่ยนความเห็นเลยนะไม่ค่อยมีอ่ะโดยทั่วไปก็เนี่ยเช้าก็คิดอย่างเย็นก็คิดอย่างเลยนะ ความรู้ความเข้าใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะนั้นตัวความยึดถือด้วยอำนาจทิฐิเนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยประชุมกันแห่งปัจจัยนี่เกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะมีโยงก็ถามว่าคุณมุนชูนี่แหละเล่าว่าเขาจะต้องสอบอภิธรรมไได้ยางนั้นอย่างเงี้ยนะเจ้าก็ไปเชื่อมากเลยนะว่าคุณมุนชูจะต้องลงสอบแน่นอน พอมาวันหลังบอกคุณบุญชูเขาไม่ได้เรียนแล้วนะเขาบอกอะไรคุณบุญชูเขาว่าเขาต้องสอบอย่างนั้นอย่างเนี้ยเอามันคนมันจะไปคิดอะไรแน่นอนขนาดนั้นนีนนะมันก็เปลี่ยนไปนั่นแหละชื่ออะไรมากมายอะนะมันเลยล้มเลยนั่นแหละมันก็อย่างเงี้แยแหละยมก็เลยถามวอ้าวคุณบัญชีจะสอบไหมไม่สอบแล้วเลิกสอบไปแล้วเพราะนั่นไอความเห็นความคิดมันก็ก็เปลี่ยนไปใช่ไหมมีใครมัางไม่เปลี่ยนม้างเอาโลกเนี้เอาอนุรักษ์นิยมเลยนะมีไหม คนที่ไม่เปลี่ยนทิฏฐิเลยก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีความเห็นแนวเดิมหมดตลอดเวลาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิที่ถึงความบริบูรณ์แล้วแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปนะเปลี่ยนตลอดปัญญาของเรานะถ้าไม่เปลี่ยนเลยนะอยู่เท่านี้ตลอดไปเอาไหมพอใจไหมไม่ดีนะมันก็ต้องมีการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นตัวความรู้ความเข้าใจก็ต้องก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วนะแต่ว่าปัญญานะ ถ้าไม่เที่ยงแต่จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นดีใช่ไหมแต่ถ้าไม่เที่ยงแล้วมันลดลงลดลงไม่ดีเหมือนชีวิตก็เหมือนกันนะเด็กเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ย ง, มงตตไม่เที่ยงหรอกมันเจริญเติบโตขึ้นใช่ไหมแล้วคนกลางคนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะมันเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเนี่ยนะไอ้คู่หนึ่งไแบบอะไม่เที่ยงแปลว่าไม่ไม่เที่ยงขาขึ้ น, ร น, ขขนหรือไม่เที่ยงขาลงเนี่ยนะเอาเอาไม่เที่ยงขาไหน เอาไม่เที่ยงขาขึ้นดีกว่าชอบมากนะแต่ว่าไม่ชอบไม่เที่ยงขาลงแต่ถ้ามีขึ้นก็แปลว่ามีลงนั่นแหละพระองค์ยึงตรัสว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายพวกเธอย่อมเห็นหรือว่าความยึดถือที่เป็นของเที่ยงยังย่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยจักตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเสมอด้วยของเที่ยงมีไหมละ่ะเคยเห็นความชอบใจอันใดที่มันเที่ยงยั่งยืนอมะตะนิรันดร์เลยไหม ความชอบใจอันนั้นเนี่ยมีไหมอย่างนั้นพิสูุ์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้อนั้นไม่มีเลยพระองค์ก็ตรัสว่าสาธุถูกแล้วพิสูจดูกวามพิสูจทั้งหลายเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่ตามเห็นว่าความยึดถือนั้นอ่ะเป็นของอ่าเป็นความยึดถือที่เที่ยงยึดถือที่ยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนไปเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเสมอด้วยของเที่ยงไม่มีรักเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่เห็นเหมือนกันแหละความยึดถือที่มันเที่ยงนะ